นาโมตัสสะภะคะวะโต arahato สัมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะภะคะวะโต arahato สัมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะภะคะวะโต arahato สัมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคระหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งสมาธิพระพุท ธ, ธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเสนาสะนะสะปายะ ที่อยู่ที่ภาวนาเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่วิเวกเงียบสงัดยเยือกเยน็นไม่มีอะไรผุ พ, พานถ้ำพระปลองนี้ก็เป็นเสนาสะนะเป็นที่สบายแห่งหนึ่งเมื่อเราทุกคนมาโสสถานที่สบายเช่นนี้แล้วจองพากันตั้ง ใจปฏิบัติภาวนาให้เอาชนะกิเลสในใจของตัวเองให้ได้กิเลสคนเรานั้นก็ไม่มากมายอะไรคือว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโกรธนี้มักจะเป็นหัวหน้าอยู่ในใจทุกๆคนเมื่อไม่พอใจอย่างไร จิตมันก็คักแข่นแน่นใจขึ้นมาเรียกว่าโทสะพอซะนี่จะเลิกละได้ก็อยู่ที่ภาวนาการภาวนานั้นก็ให้ระลึกถึงพระบรมศาสตราจารย์ของเราในวันที่พระองค์จะได้ตัดสโลพระองค์มีความสามารถอาจราร ในการปฏิบัติธรรมพระองค์ละลึกได้ว่าเมื่อได้รัตพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าทีปังก่อนแล้วว่าเอกสีอสงไขข้างหน้าก็จะได้มาตรัสเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าในโลกพระองค์เสด็จออกบวชได้หกพันษา เสด็ดลงมาภาคกลางประเทศอินเดียเมืองแคนจังหวัดนั้นให้เชื่อว่าจังหวัดพุทธคยามีต้นลกขโมลต้นหนึ่งภายหลังพระพุทธเจ้าได้นั่งตักสรู้ที่นั่นคนทั้งหลายนับตั้งแต่เวลานั้นมาก็ให้เชื่อว่าต้นไม่พอ คือพระพุทธเจ้ามาตรัสถอยานบริบูรณ์ในลุกขรมลล้มไม้ตนนี้เมื่อมาถึงต้นไม้นี้แล้วพระองค์ก็รู้สึกมนความปีติยินดีในต้นไม้ตนนี้เพราะว่าตามตำนานกล่าวไว้ว่าต้นไม้ตนนี้นั้นพระพุทธเจ้าประโซ ในปีนั้นต้นไม้ต้นนี้ก็เกิดขึ้นเป็นต้นเป็นลำตั้งแต่ปีนั้นมารวมอายุต้นไม้ก็ได้สามสิบห้าปีอายุพระพุทธเจ้าของเราก็เรียกว่าสามสิบห้าปีกำลังหนมแน่นแข็งแรงนับว่าเหตุการณ์มันก็บันดมบันดาลมา รวมกันเข้าพระองค์มาลำลึกว่ามันจะมีอะไรที่บกพร่องอยู่หรือบุญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาในบารมีสิบบารมีสามสิบทัดยึงตัดสู้ไม่ได้เมื่อพระองค์รวมจิตใจลำลึกถึง คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าทีปังกรออยู่ก็ได้ความขึ้นมาในนาพระทัยใจพระพุท ธ, ธ อ, องค์เองว่าการที่จะตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้านั้นถ้ายังไม่สละชีวิตให้เป็นทานเมื่อใดยังตัดสโลไม่ได้ เรียกว่าเป็นพระธรรมในเมตรปรากฏการขึ้นมาในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเมื่อปรากฏการเช่นนั้นพระองค์ก็ลํำลึกขึ้นในใจของพระองค์ได้ว่าการสละชีวิตให้เป็นทานสละชีวิตแลกเอาพระโพธิญาณ น, นั้น ก็ได้แก่การนั่งขัดสมาเทศพระองค์จึงเข้านั่งขัดสมาเทใต้ล้มไม่พอเงาไม่โพนั้นในคืนนั้นเป็นวันเดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพระองค์นั่งผินหลังให้ตนไม่โพก็นั่งขัดสมาเทศเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวา แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามมอพระหัตข้างขวาทับมมอข้างซ้ายพระองค์ตั้งกายให้ตรงเหมือนต้นไม้โพแล้วก็ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าพระองค์ได้นั่งตั้งสัตติฐานอย่างนี้แล้วก็มีกำลัง จ, จิตใจ แข็งแกร่งขึ้นมาไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ลำลึกอีกว่าจะเอาอุบายทำอันใดหนอมาภาวนาจึงจะได้ตัดเป็นระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ความขึ้นมาในจิตใจของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง ว่าโอบายภาวนาไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่แหละเป็นโอบายภาวนาเมื่อพระองค์ท่านลำลึกได้อย่างนี้ก็ตั้งสติขึ้นมาสติแปลว่าความละลึกได้ เอาลมหายใจนี้เป็นบทภาวนาเวลาสูดลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็นึกว่านี่แหละลมเข้าไปไม่ใช่ลมออกมาเมื่อสูดลมหายใจเข้าไปแล้วลมก็หายใจออกมาพระองค์ก็มีสติความระลึกได้ว่า นี่เป็นลมออกเมื่อโสดลมเข้าไปเอกปนนึกอย่างเก่าเจริญอย่างเก่านั่นแหละพร้อมกันนั่นก็ระวังจิตใจของพระองค์ท่านไม่ให้คิดแส่สายออกไปนอกจากหนังหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบพระองค์ทบทวนกระแสเข้ามาทุกลมหายใจเข้าออก เป็นเวลานานพอสมควรเจตใจพระองค์ก็สงบตั้งมัน่นเพราะไม่ได้ให้คิดไปที่อื่นเหมือนคนเราธรรมดาพระองค์เอาลมเข้าออกเป็นอุบายภาวนาก็เป็นแบบเดียวที่ว่าสมถะกรรมฐานจะนึกพุโทโธธรรมโมสังโฆ นึกจะเรินอะไรก็ได้แต่ว่านึกแล้วจะเรินแล้วเอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ทาไม่ใส่ทำเล็กๆน้อยๆตั้งใจทำจริงๆและในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราจิตใจก็สงบระงับตั้งมันเป็นสมาธิอาวันนาเป็นคณิกะสมาธิ เป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิสงบระ ง, งับเยือกเย็นในใจของพระองค์เต็มที่เมื่อจิตใจของพระองค์สงบแน่วแน่มั่นคงความรู้หรือว่าญาณความรู้ในจิตใจของพระองค์ก็เกิดขึ้นหรือว่าปัญญาแปลว่าปัญญาเกิดขึ้น ในจิตใจของพระองค์เพิ่มเติมจากลมหายใจอีกมองเห็นหลักอนิจจังขังอมตาที่ว่านามะรูปังอนิจจังนามในรูปนี้ไม่เที่ยงนามในรูปนี้เป็นทุกข์ไม่ใส่สุขสบายเหมือนแต่เก่าก่อนมา นามารูปังอมตานามในรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราของพระองค์แจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีสิ่งใดที่จะมาเชื่อมสอนให้จิตใจพระองค์หลงต่อไปอีกแม้จะเป็นในมนุษย์โลกนี่ก็ตามเทวโลกพ ม, มโลกที่ไหนพระองค์ก็มองเห็นว่า มันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะมั่นคงต่อไปตลอดกาลได้ในขณะที่จิตใจของพระองค์สว่างแจ้งขึ้นมาว่าเป็นจริงในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจของพระองค์ก็ตัดกิเลสราคะกิเลสโทสะ อันมีอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปในในเพลิตาเดียวนั่นแหละเมื่อตัดอารมณ์กิเลสเหล่านี้ได้จิตใจพระองค์ก็แจ้งใสสว่างเน่ ว, ว่าสว่างแจ้งหมดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบงังจิตใจพระองค์ก็เรียกว่าตรัสโูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ด้วยการสละชีวิตแรกเอาคือพระองค์นั่งภาวนาข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายถ้าเกิดว่าภาวนาตัดกิเลสไม่ได้พระองค์จะไม่ลุกจะยอมตายในที่นั่งนี้แต่บังเอิญกิเลสราคะโสะโมหะโสนํำพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยดับไป อันเราทุกคนมาโสสถานที่วิเวยอย่างที่เรานั่งภาวนาฟังธรรมอยู่ในเดี๋ยวนี่ก็ให้พากันตั้งใจลงก่อนอย่าให้ใจของเราท้อแท้อ่อนแอมักง่ายให้ใจมั่นคงเหมือนแผน่นดินคือไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทุกลมหายใจเข้าออก มองเห็นชลาพยาธิมรณะเต็มกายเต็มใจอยู่ทุกวันเวลาเอาจนจิตใจเราทุกคนมั่นคงหนักแน่นลงไปให้ได้ตั้งแต่คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปแม้เราจะลบจากที่นี้ไปก็ตั้งใจมีสัจจะอธิษฐานในใจของเราให้มั่นคง ไม่ปล่อยให้หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสอีกต่อไปนี่เป็นอุบายภาวนาโดยย่นยอ่อพอเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทมให้เจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรแก่กาละเวลา เยวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพิโยวิวัันโตสัพพโลโควินัสตตมาเตส ว, วัตวันตรายโยสุขีธีคายุโโกภวะอภิวาธนาสีริชนิจยังวุธาปัจจายิโนเจ ต, ตารโรธรรมาวัตันติ อายุวันโอชุกังปาลัง